Book two. 2ระหว่างเดินทางเขาขับรถจักรยานยนต์เขาขี่จักรยานเ เขาเดินเดินเขาไปโดยเรือใหญ่เดินเขาไปโดยเรือเดินเขาว่ายน้ำน้ำที่นี่อันตรายไหมคะที่นี่อันตรายไหมคะ การโบกรถคนเดียวอันตรายไหมคะมันอันตรายไหมคะถ้าออกมาเดินเล่นตอนกลางคืนเราหลงทางเรามาผิดทางเรามาผิดทาง เราต้องเลี้ยวกลับทางเดิม m ุสีเมเสอตัวชิจอดรถได้ที่ไหนคะเกเด e ต์ที่ดีได้ p a r k o กวดที่นี่มีที่จอดรถไหมคะเย่ที่ดนี้เปารที่นี่จอดรถได้นานเท่าไหร่คะมี่ a า คุณเล่นสกีไหมคะจคุณะขึ้นไปข้างบนไหมคะที่นี่มีสกีให้เช่าไหมคะ